คุณถึงจะรู้ได้เขาเขาอะไรเป็นอย่างไรเขาอย่ีลา้องไรค เดี๋ยวมันดีขึ้นมาดวยกันนะแ่เรา็นมหาจุดตเนีจเริมาทำความเข้าใจกันในธรรมะบางอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตของพวกชาวพุทธกัน ธรรมะซึ่งพระบรมครูเราท่านตัดว่าธรรมะมันเป็นของว่างขึ้นชื่อว่าธรรมะแต่ธรรมะมันคืออะไรในรับคำตอบไว้จริงที่ไม่เป็นธรรมะนันไม่มี อะไรทุกอย่างที่ทมันเป็นโูปเป็นนา ม, มันก็เป็นธรรมะให้ธรรมะที่ให้เป็ น, ป, นประโยชน์แก่พุทธบริษัทนันน้ึงเรียกว่าเป็นเจ้าประว่าิีรธรรมเป็นธรรมะที่กับกรุงจัญญามน ญ, ญาติความผิดถูก ในสังคมต่างๆให้มีความสบายไม่มีความเสี่ยงแย้งซึ่งกันและกันเป็นเรื่องรในขั้นที่สองเป็นธรรมะอันหนร้วนเป็นธรรมะที่ไม่มุ่อะไรเป็นธรรมะที่มุ่ความหมจุดให้สะอาด เป็นธรรมะอันสูงสุดทั้งสองประการนี้ก็เมื่อจะเห็นประโยชน์ก็อยู่ในเรื่องการปฏิบัติอานปฏิบัตินี้ก็จะพูดให้มันสั้นต่อมามันตอนมีเพียงแตว่ามันมีูที่ตัวเรา คนว่าไปถึงตัวเราเนี่ยแยกจากตัวเรานี่ไปมันมากมายส่วนเรียวย่อประืิกายกับใจในส่วนที่เป็นนามเนี่ยมันเป็นเรียวยใจตรงนั้ น, นสิ่งที่มันเป็นรูปมันก็นเรียกวยางเป็นวัตถุตรงนั้นกายเมื่อเราแยกมันมีสิ่งทั้งสองปกติก็มีอยู่ตามตัวพุทธบริการทั้งใด ทัวไนี่ที่ทั้งสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่พ้นคว่าถอดหาเนื้อแท้ของกายของใจงนี้ออกมาเพราะว่าเราก็มองเห็นอยู่แล้ว่ามันถ้ามันมีความสุขอย่างนี้มันก็สุขคนดีใจมัน ไ, มไปสุขที่ไหน ถ้ามันมีความทุกข์มันก็ทุกข์เป็นจิตใจไม่ว่ามันจะทุกข์อย่างว่าอากาศอะไรฉะนั้นธรรมะจิมวันเกิดกับเราทุกๆคนองค์สมเด็จพระสัมมจัมปุกเจ้าของเราท่านสอนให้ดูตัวของตัวเองทาไมท่านจึงให้ดูตัวของตัวเองเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดมันอยู่ที่ตัวของเรา ตัวของเราทั้งหมดนี้กลางความจริงในมันเป็นธาตุอันหนึ่งซึ่งจะเป็นรูกเป็นตัเรียกว่าบธาตุอันหนึ่งที่จะเป็นอาลูปจะใเป็นรูกเป็นตัเดียกว่าบธาตุอันหนึ่งจริงทั้งหลายเหล่านี้แหละท่านเพียงให้อุบายว่าต้นดีของตนที่สมมติกันว่าต้นดีของตนนี้ ที่เราเรียกกันสมมุติจะมาจะไมในในใ่จะใคตัวจะที่จะใดนานยึดสมมุติแน่นหนาสมาว่าตัวว่าตนว่าทองตนเขื่นมาแน่นหนาจนเกิดสิทธิเขื่อนเกิดมานะเขื่นเกิดความยึดมัน่นหผิวมั่นขึ้นสารพัดอย่างทำมาที่เระพทาทาุทธิจารันสอนเนที่เจ็ด น, นาต่อเป็นรู้เรื่องความจริงเหมาอนนี้ ให้เราเห็นว่าเป็นจะเทียงกะเพราะว่ามันเป็นธาตุันหนึ่งนี่มีความรู้สึกอันหนึ่งเกิดเป็นรเรื่องประหายเกิดเป็นเรื่องดับไปเทานั้นไม่มีอะไรมากไปกว่า น, นั้นมีท่านจึงสอนต่อไปว่าอันนี้ก็มไม่ใช่ตัวตนอันนั้นก็าไม่ใช่สองของตนฟังยังนนะ ถ้าพูดแต่ปรฟันใม่ถนัดที่พวกยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้แต่ก็พระองค์สันนิษฐนว่าไม่มีอะไรจะเป็นอุบายให้คลี่คลายความทุกข์ดีไปกว่านี้นอกจากอุบายอันนี้แล้วไม่มีอุบายอื่นที่จะให้เราคลี่คลายความยึดมั่นถือมั่นออกให้ปัญหานี้มันน้อยลง อย่างนั้นพระพุทธเจ้าสันจตงสอนชอนในพีจเจนาตายผักไก่นี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอัตมา ก, ก็เคยกีรานานรรพจรจากมันก่อ น, นตาเราตามองเห็นหูเราก็เลยยินมทั้งหมดทําไมสันติในสอ น, น้กีร น, นาไม่จะตอ่อเสียไอ้เพราะไห้ความจริง ม, มันอยู่ตรงนี้ถ้าเรามารู้รรรเรื่องจริงทั้งหลายแล้วเนี่ยจริงทั้งหลายที่จะเป็นปัญหาเกิดขึ้นมามันก็น้อยน้นอยกัน พูดง่ายเลยว่าอาจารมาเคยเล่าเรื่องสิ่งทั้งหลายแล้วมีบ่อยๆมาพระพุทธเจ้าตรัสอนหลายความเกิดความแก่ความเจ็บหรือความตายอย่างนี้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อวันเกิดมามีแก่มาทีเจ็บมาตายมายกขึ้นมาทิจะน่ะทาบุญกันอย่าให้ลืมมันเป็นสิ่งที่สําคัญสิ่งทั้งหลาย วันนี้จะมาต่อไปเปเล่าให้ยายฟังยายทุกหลายทุกสารทักษะไอ้สิ่งที่ครอบครัวสมบัติในบ้านที่กลัว้ะเกินไปกลัวอนาคตกลัวไปดูตัวมันจะเป็นอย่งนี้กลัวมันจะเป็ น, น, นยังนี้กัวสภาัจังแต่อันนั้นยังในสิ่งในตัวไปแล้ว ตัวว่บบามันจะเป็นอย่างนั้นตัวนะ่ะมันหลอกอย่างนี้ตั ว, นะ ม, ออวนะมันจะมาอีกมากอมืถ้าพูดถึงโรคของเรานัเนนะี่ะสมัยปัจจุบันนี้อืเขาเรียโรคอะไรอย่างหนึงที่มันเป็นโรคร้ายแรงที่สุดเป็นโรคที่แปลเป็นโรคอะไรถ้าหมอบอกว่าไปตรวจดูเป็นโรคมาเร็งตายทั้งเป็นเลยกลัวเนลยไม่อยากจะทํำให้ตายกันนล้วนะ อันนี้อาตมาเห็นว่าย้อนมาดูที่ว่าอาตมาพิจาาเห็นว่าโรคมาเร็งเนียมันเป็นโรคที่อโลกแก่เนี่ยมันเป็นโรคที่สำคัญที่สุดมันได้ทว่่าสิงทั้งหลายแตงนั้นมันไม่มีหยุดมันมีทุกคนหรือมันเป็นทุกคนคนที่สุดมันก็มาจบอยู่ดีอันที่เราพุทธเจ้าท่านสอนคือแก่แก่เจ็บเจ็บตตายเนี่ยเราข้ามเลยนะ ไม่อยากจะนึกไม่อยากจะคิดไม่อยากจะพิจารณาถ้ามอว่าโรคมาแรงโรคมาแรงตากระึงชนิดกลัวไอ้โรคทีมันทํากันจริงๆก็นั่นคือโรคแก่เนี่ยมัยนี้เราไปรับการพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้คือวันที่มันเจนอยู่แต่มันฆ่าไปแต่ความจริงๆเจนนี้เน่ะไม่ได้รับการพิจารณาแต่เป็นกลัวแะอหยากเป็นกลัวแค่หยางอยู่มันมากกว่านี้ อันนี้จะเป็นไหนความเห็นผิดในการพิจารณาธรรมะห่างออกจากคำสอนของศาศาพระพุทธเจ้าของเราไปแล้วในความจริงจริงสิ่งที่เราพิจารณาถูกไอ้จริงที่มันถูกต้องน่ะมันมีทางไม่มีทางแก้ไขไม่มีทางเลยที่จะแก้ไขไอ้ที่มันถูกต้องแล้วมันจําเป็นแล้วมันถึงาราวแล้วถึงสมัยมันแล้ว ก็ปล่อยไม่ปล่อยก็ต้องจำปล่อยเพราะวา่ามันเกิดความรู้ถึงองค์สมเร็จพระธรรมสัมพุทธเจ้าพอแล้วท่านก็ไม่ไหวเหมือนกันท่านก็ปล่อยในความจริงท่านจพงเห็นว่าเป็นสุขก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดาทุกข์ก็ธรรมดาอะไรก็เห็นเป็นธรรมดาแต่ ีเรียวกับธรรมดานั่นคือเดีพอดีมันไม่น้อยเกินพอดีมันไม่โตเกินพอดีมันพอดีเรื่องธรรมดานี่ใครใครก็ต้องรับใชนไหมองค์สมเด็จตถาจาจ้าของเราท่านก็รับไปที่ไหนไม่ได้สาวกของเราพุทธองค์อันตอิละบัญญัติเป็นธรรมดานี่ซเป็นธรรมดานี่น่ะ มันเดือนทุกๆคนจะเรื่องเป็นธรรมดาถ้าหากว่ามีสุขก็รู้จักว่ามันเป็นสุขแต่ว่าใเป็นเรื่องธรรมดาของมันถ้าหากว่าประสบทุกก็ให้รู้จักว่าทุกแต่ให้ออรู้จักว่ า, เ, วาเป็นเรื่องของธรรมดาของมันสุขจักเรีกว่าสุขทุกจักเรียกว่าทุกเป็นเรื่องของธรรมดาแต่แท้อย่างนี้ ถ้าเราเรี้นธาตามความจริงอย่างเนี้เป็นของธรรมดาแล้วมันก็อนหยุดใจมันก็เป็นธรรมดามันก็ไม่ขึ้มันก็ไม่ลงมันเป็นธรรมดามันเป็นสภาวะอย่างนั้นอุปาทานซึ่งเราเข้าใจจิตซึ่งไปยึดมันมากไปกว่า น, นั้นมันเป็นธรรมดา เรื่องธรรมดานั้นอาจะมาเเปสียงในฟังว่ า, าเราจะฉีดยาเอาเข็มเรไปแทงในเนื้อของเราทนะุกคนก็จะมีความรู้สึกที่ความเจ็บปวดพระอดีตเจ้าทาั้งหลายก็รู้สึกมีความเจ็บปวดแต่ว่าเจ็บปวดเป็นธรรมดาเราทั้งหลายก็เจ็บปวดกันทุกคนแต่เจ็บปวดเป็นธรมนาา ร, ธรมดาที่เดียวกันธรรมดา ใครๆเขาต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งที่มันเหลือธรรมดาแต่นั่นต่อเรียกว่ามันเป็นการตลายเช่นว่าเราจะสีดยานี่เอาเกลียวในเส้อาบยาพิษเนี่ยแล้วมาฉีดต่อไปนี่มันเกเี็บมากที่สุดเก็บยดจนตายมันเหลือธรรมดามันเกินธรรมดาไปแล้วอุปาทานนี่ก็เหมือนกันทังนั้นอุปาทานนี่คือเรียกว่าเอาเกลียวในเสื้อาบยาพิษ มันเกินธรรมดาไปแสดงอย่างนั้นพกเกษตรเจ้าเห็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายยาดีอุปท า, านจะไปยิสมันถือมันว่าเป็นตัวของเราว่าเป็นของของเรายิ่งวกว่าธรรมดาจะมีอะไรก็รักษามันไว้รักษาไว้ให้เป็นธรรมดาอย่าให้มันเกินธรรมดาถึงแม่ว่าเราจะเจ็บจะป่วยมากตดวให้รู้จิกว่ามันเจ็บมันป่วย ตอยเหรนบาดการปิดป่วยเป็นธรรมดาอย่ามีความยึดมั่นถือมันเนี่เกินธรรมดาไปแล้วมันเป็นทุกข์ในความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ที่มันเกิดมาแล้วอันเป็มันตราจากอุปทานมันเป็นทุกข์ธรรมดาทุกข์ที่มันเก็ดอุปทานเหมือนกับไอเสียมกีนยาเนี่ยไปอาบยาพิษมานี่มันเป็นอุปทานแบบนั้น อันนี้มีทางที่จะแก้ไขโดยการพิมิตโดยการพิจารณาอย่างนี้อันนี้ก็เป็นธรรมอันหนึ่งที่พวกเราทาั้งหลายจะพิจารณาให้เห็นตาสภาวะความเป็นจริงอาการทั้งหลายแล้วนี้เราจะดูหนังสือเรื่มไหนก็ตามจะอะไรก็ตามมันเห็นที่ทั่วไปแต่ว่าพวกเราทาั้งหลายนั้นไม่ไดเอามาคิดไมได่เอามาิมิตพิจารณาถึงความจริงว่า ก็ไม่เห็นธรรมะไม่เห็นความจริงในที่นั้นอนอกจากนั่นไปซึ่งมันเป็นตัววัตถุ ก, ก็ตามซึ่งมันเป็นเจ้านก็ตามมันก็เจนอยู่ทุกที่ทุกหนมันมีอยู่อย่างนั้นเรียกว่าธรรมะมเป็นสภาวะอันหนึ่งเป็นความจริงใ้ความจริงนี้ถึงแม้มันจะอยู่ที่ไหนก็ทางมันเถถ้ามันเป็นศาสนาอะไรมันถูกต้อง ศาสนานี่มันก็ไม่ใช่เป็นรัติแต่รัติไม่ใช่เป็นศาสนาศาสนาคือสภาวะอันมันถูกต้องมันจะอยู่ในศาสนาอะไรก็ตามมันจะอั น, นั้นมันจึงความจริงทุกอย่างอันนั้นธรรมะมันจึงไปปะปนอยู่ทุกแง่ทุกมุมพุทธบริษัทเราทางหลายท่ารู้จักธรรมะตามความเป็นจริงแล้วยิ่งไม่ขัดแย้งอะไรทั้งนั้นเช่นว่านในโลกที่เราอยู่นี้ สัตย์แบบแสนที่มันจะวุ่นวายอะไรก็าตามตีเต๋อเราที่มาอยู่ในโลกนี้เป็นต้องเสียใจก็เลยต้องมีใจอะไรถึงแม้พระพุทธเจ้าเราก็ตามสาบกต่อตามท่านก็เกิดอยู่ในโลกที่มันแสนที่มันวุ่นวายแต่ท่านก็เอาความวุ่นวายนี่แหละปฏิบัติเป็นความวุ่นวายกัดแต่รู้รู้ธรรมะในโลกนี้ไม่จะไปเอาโลกอื่น เอาจากสิ่งที่มันพูดวาย่เองหรือจะพูดง่ายๆว่าไอ้โลกที่เราอาศัยกันอยู่เนี้ยมันเป็นความจริงมันเป็นสิ่งที่พอดีของมันอยู่แลแต่ว่าเราคิดไม่ถึงนั้นรู้ไม่ถึงธรรมะอันนั้นมันก็เลยเกิดความวุ่นวายฉะนั้นแสนที่มันจะทุกขยากลำบากประกา ร, ดรดใดพระพุทธเจ้าของเราก็พยายามกัดรู้ในที่นี้ สารวกทั้งหลายก็กัดกระรูทั้งหลายในที่นี้ไม่ไปที่อื่นเอาสิ่งความสะอาดนี้อยู่ในศพกระโปงเอาสกาพกระโปงออกแรงกดถึงก่อะอาดยังนั่นโรค ก, กันนี้แต่จงึงโลกระดิชูรู้แจ้งโรคถ้าท่ารู้แจ้งโรคมันเมื่อไรเป็นต้นมันก็เกิดความสว่างอยู่ในโรคถ้าไม่รู้แจ้งโรคเมื่อไรเป็นต้นมันก็ขัดห้องอยู่ทั้งนั้นตลอดกาตรตลอดเวลา ซึ่งแม้ว่าจะหนุ่มก็ขัดท้องจะมีอายุมากเสียมันก็ขัดท้องจะเป็นยังไงก็ขัดท้องจะยศจะรวยอะไรมันก็ขัดท้องเดียวนั้นเพราะยังไม่เห็นโรคอันตามความเป็นจริงถ้าเห็นความตามเป็นจริงแน่เป็นต้นปัญหาเดียมันจะน้อยลงไปมันลดลงไปอแคะนั้นจึงให้พวกกุฏทวโริสัตว์เราทั้งหลายภาวนาอการภาวนาการค้นคว้าหาธรรมะอันนี้ มันเป็นพุทธะมันเป็นพุทธะต้องค่อยๆไปตามขั้นตอนมันเช่นว่าการรักษาศีลการเจริญสมาธิการทำปัญญาให้สืบ อ, อย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นขั้นตอนของมันการเดินทางเขาไปสู่ธรรมะเห็นธรรมะอันนี้ซึ่งแม่ว่าจิงทั้งหลายแล้วนี้ไม่มีในแบบในตำร า, าตกวตาเตอมันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้น หนึ่งเราละความชั่วไอความผิดทางกายทางวาจาเราอย่างนี้มันจบหมดเรื่ อ, ง, องที่มันจะวุ่นวายอาการที่มันจะไม่ค่อยจะวุ่นวายนั้นมันก็เป็นสมาธิเี่มันมั่นอมันเป็นไปอย่างเป็นใบพธถึงกันในกันอย่างนั้นเรามีสมาธิความตั้งใจมัน่นปัญญามัก็คอยที่จะเกิดขึ้นในที่นั่นเองสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดมาอยู่อย่างนี้แค่นั้นจางเท่าไห ภาวนาคือทำไมมันเกิดขึ้นทำไมไม่ ม, มีขึ้นเริ่มต้นมันก็โดยมากในตัววันนี้ก็นั่งสมาธิกันสมาธิทำไมใจใจมันไม่สงบใจมนลักษณะมันเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่รู้จะแก้ไขมันเกิดมาเป็นต้นล้วก็เห็นความไม่สงบของใจ เราคิดอยากจะหายใจแต้มันสงบจิต ใ, ใจมันก็ไม่ค่อยสงบมันก็เป็นเพราะมันนิ่งฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมาสอนในะเรื่องอื่นมีแจว่าไม่สาคัญไม่สําคัญกว่าติการนั่งสมาธิทําจิตให้มันนิ่งการทำจิตให้มันนิ่งการทำจิตให้มันหยุดนี่งทันมันทัน แต่ธรรมดาเราความเห็นธรรมดาเราเรียกว่าต้องวิ่งตามมันจึงทันแพระพุทธเจ้าสั่งเสมอหยุดมันจึงพันถ้าวิ่งตามมันไม่ทันให้หยุดมันทันเนี่ยอันนี้มันก็เป็นของเปรตเหมือนกันเมื่อหากว่าจิตของเรานั้นเมทาทํำสมาธิแต่ไม่สมปรารถนาเราตรกทั้นตกสามการที่ทํำสมาธิต้องกาให้รู้จักได้ว่า ไอเรื่องจิตของเรามันเป็นอย่างไรจิตนิ่งมันเป็นอย่างไรจิตสงบมันเป็นยังไงอย่างนี้อืบางคนก็เห็นความคิดเกี่ยวของในที่กำหนดนั้นก็ขัดใจว่าจิตเรามันไม่สงบจิตเรามไม่สงบสมาธิไอ้ความเป็นจริงสิ่งที่มันหมุนเยียนอยู่นั่นแหละเออ ม, มันนิ่งแต่พาะความห ม, มุนเยียนมันเช่นว่าอานิจจังคือมันในเพียงอย่างนี้ ความไม่เที่ยงก็คือมันแปลเปลี่ยนไปมาอยู่รื่นๆถ้าเราทีนาเข้าไปถึงจุดจุดมันแล้เมื่อเห็นความเที่ยงของมันความเที่ยงของมันอยู่ที่ว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ปัญหาที่เราสงสัยก่อหายไปมันก็หมดไปหยุดใจเราก็เป็นอย่างนั้นไอ้ธรรมราจิตของเรานะี่ยเมื่อนั่งไปความสงบกับความเข้าใจคนจะ ไ, ไปนั่งมันก็สงบ มันก็เป็นธรรมดาบางทีก็สงบไปบ้างบางทีก็มีเรื่องอะไรต่างๆอืรวบรวมไปสลับครับซ้อนกันไปบ้างแต่ยังไรก็ตามเถอะถ้าทําไปเรื่องสมาธินี่ต้องให้ถึงอัปปนาสมาธิถ้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งอเข้าไปถึงได้าปฏิบัติได้พยายามให้ถึงอัปปนาสมาธิสมาธิเอออัปปนาสมาธินั้น สมาธิที่มันนิ่งที่มันแน่ที่มันนอนจะไม่มีอารมณ์อะไรที่เต่าส่งจะถึงตรงนั้นมีความรู้อยู่อย่างนั้นรู้ไม่มีเรื่องตรงไหนมันรู้ไม่มีเรื่องมันสะอาดอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นแค่นั้นนี่ยงเข้าไปบุกอยู่ผู้ปฏิจารสมาธิก็เรื่องจิตใจของเรานีเองว่าเรานั่งเข้าไปมันจอนไปแต่มันจอนไปอยู่ในความสงบไม่ออกจากวงจรนของความสงบ มีความรู้สึกนึกคิดอยู่ในความสงบอันนี้เป็นอุปจารสมาธิเ ข, าเข้าออกออกแต่อัปปนาสมาธินั้นไม่มีอะไรข้อไปถึงแต่ปัญญาไม่เกิดเหมือนกันเข้าไปพัก่อนอ า, ายัยถ้าปัญญาจะเกิดเป็นเป็นตัวปัญญาจริงๆเป็นอุปจารสมาธิมันออกออกมานอกกันดนาะเข้าไปข้างในกรดอันนี้มันจะเป็นอารมณ์เปนมา มันจะเห็นเรื่องอานิจังมันจะเห็นเรื่องทุกขังเห็นเรื่องอนัตตาตัวนี้ปัญญาจะเกิดตรงนี้ตัวปัญญาจริงๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรเข้าไปโวมถึงที่สุดแค่นั้นอันนี้ผู้ปฏิบัติสอนให้เขาไปเห็นอย่ น, นี้ที่ว่าสมา ธ, สมา ธ, สมาธิสมาธิทั้งหลายนี่รวมหมดเนี่ยแตเป็นของไม่เงียบนอ น, นะะเป็นของไม่อย่างยืนนะจะสงบแล้วไหมสงบก็มีสง บ, า ม, สงบมากเนีย่นยทำไปสงบน้อยก็มีสารุขัตยานที่มันปูนเตะกันอยู่อย่างนี้ อย่างนั้นพระพุทธเจ้าตัณฑ์ของสมาธิเหงวอนหินทับหญ้าธรรมชานเมื่อนหินทับหญาเมื่อมันเป็ทับหาหญามันก็งอกเมยกอจะมีด่เมื่อเอาหินออกไปจะ ง, งอกเลยเ่อจะมาได้เกิดทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นเช่นนั้นเฉินนั้นทั้งสองประการ น, นี้เดียกว่าธมชาติกรรมฐ า, านคือความสงบที่สองอิปัสนาธมามฐานคือปัญญามันเกิดแล้ว การสร้างสมถะหรือการพัสนานี้น่ะมันก็อยู่ในระดับอันเดียวกันเหมือนมะม่วงใ้หนึ่งเนี่ยมันเป็นดอกอยู่มันก็เป็นมะม่วงใบนั้นอในมะม่วงใบนั้นมันเป็นเล็กๆเกินมามันก็เป็นใบนั้นมันโตขึ้นมากว่าใบนั้นมันสุกขึ้นมามันก็เป็นใบนั้นไม่จะเป็นใบอื่นแต่ว่าระยะมันต่างกัน เมื่อแรกอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนได้เรื่อยไปจนกระทั่งมันสุกก็เป็นมะม่วงไปเดียวเรื่องสรมชาติเรื่องมีปัฒนาอันนี้ก็เหมือนกันทันนะถ้าเราพูดแยกจะเป็นคนในอย่างถ้าพูดรวมที่สุดจะตัดเนื้นมะม่วงไปเดียวเป็นทันนะนี่เดียกว่าการภาวนาในด้านจิตของอถ้าหากว่าเรามีความเห็นชอบเมื่อไรตามมัต ในปัญหาอะไรทางหลายมันก็จะหมดไป ม, มันก็สิ้นไปทางนั้นความสงบกเกิดขึ้นเพราะปัญญาความรู้มันก็เกิดขึ้นอย่างละเอียดตัวกันอย่างนั้นเรื่องสมาธิมันเป็นเรื่องทำยากเป็นเรื่อง ท, ทําำําบากเพราะว่าคนอยากได้เร็วอยากจะเป็นเร็วนั่งเดียวนั้นอยากให้สงบเดียงนั้นอยากจะเป็นเดียวนั้นอย่างเป็นต้นมันจรงเป็นของอยากมันเป็นของลำบาก มันสำคัญอยู่ที่ปฏิปทาของเราการกระทำที่ละเอียดเราก็ทำขยันแล้วก็ทําทําไปเรื่อยเ่อ <c oughs> เรียกว่าปฏิปทาเนี่เป็นของสําคัญมากที่สุดเราทําไปมันเกิดนะมันจะเกิดอย่างใดก็เกิดอย่างหนึ่งไปเรื่อยเรื่อการปฏิบัติสมาปฏิปทาการทําวันนี้ไม่สงบหรือมันสงบแนววันนี้เราเกิดจากสมาธิก็ให้ย้อนกลับดูว่า การเลิกจากสมาธิการเลิกจากการทำเพียนนั้นไม่มีมีแต่บิริยาเทนั้นอย่างเราทำงานเสร็จวันนี้ออกจากงานไปแล้วเป็นต้นเราก็ยังระดลึกถึงงานเราอยู่พรุ่งนี้ป ร, รือนี้อันนั้นยังไม่จบอันนั้นยังไม่ติดต่อกันยังนี่อยู่อันนี้มันเป็นปัจจัยการประพฤติปฏิบัตินี่ก็เห ม, มือนกันฉันนั้นพอเราเลิกจากการทำเพียนเนี่ยเป็นต้น <c oughs> ยังเป็นบิริยาลำภาระราลบการกระทำมอยู่เรื่อยไป เป็นสติสติหนึ่งสมบัติคัญญะหนึ่งปัญญาทั้งสามนี่ทามีสติแล้วสมบัติคัญญารู้มันก็มีปัญญามันก็เกิดสิ่งทั้งสามประการนี้ให้ติดตามอยู่ในตัวของเราเรื่อยอาการของการทำเวียนบางคนก็เคยเข้าใจว่าไม่มีเวลาไม่มีโอกาส อาตมาว่าต้องคิดตีอีกทีวะเรื่องยังไงไม่มีโอกาสไม่มีหรอกถึงแม้การกระทำเพียนของเรามีความรู้สึงเหมือนจะรมหายใจรมหายใจถึงแม้เราจะนอนดับอยู่พอดีจะทำงานอยู่พอดีเป็นต้นมันต็งมีโอกาสที่จะหายใจนี่เพราะเห็นว่าลมที่หายใจเนะี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเรา เราพูกถึงการประพฤติปฏิบัตินี้กเหมือนกันมีโอกาสอยู่อย่างนั้นถ้าเรามีรวมหายใจโอกาสมีรวมหายใจการประพฤติปฏิบัติการรู้สึกนึกคิดของเราก็มีโอกาสอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเรามาเทียบเทียงกันเป็นนี้เป็นต้นการประพฤติปฏิบัติปฏิปทาของเราเป็นต้นจะมีโอกาสสมบุเสมอไม่ขาดจากโอกาสที่จะต้องทำอย่างนี้อันนี้เป็นสนัญญาถ้าหากว่าเราออกจากสมาธิมัน่ะกระเรืมม่อคนตัดจัม เลิกจากสมาธิเนี่ก็เลิกมันไปใช่ไหมไม่มีนิสัยปจัจจัยติดต่อดึงหน้าวไปหาการอีกเป็นส่วนมันก็ขาดไปอันนี้ปฏิปทานนี่เป็นสิ่ง ส, ส, สาคัญในการประพฤติปฏิบัตินี่ออาฉันเรื่องการปฏิบัติปฏิบัตินี้ก็ดีกว่าวันนี้ให้ศึกษาธรรมะวันนี้ให้เรียนถามธรรมะดีกว่า อ, อดีกว่าจะมาพูดใส่โอเดียมจะมีข้อสงสัยในการประพฤติ มีการปฏิบัติ น, นั้นเรียนถามเฉพาะเจาะจงไปดีกว่าฉะนั้นโอกาสที่จะให้ถามปัญหาต่อไปนี้มีแหละ<ม>เรียกให้โอกาสแล้วต่อไปนี้เวลามันก็ไม่ปิดใมากเท่าไหร่คร<ม> ก, ก่อนเราท่าน<ม>ท่านประธานมีปัญหาถามดีๆเลยนะ<ม> ในทำท<ม>ี่นังอ่ะจะมาถามทเที่ไหนนะอืมแล้วหนูคือไม่าบอกว่าที่ทําไี่ยมันมันมันมันมงหนึ่งมันจะทำคือไม่ค่อรตัวเองยังไม่ค่อยมีหแต่ว่าือวันเมื่อไม่นานมานี้จะมีควาะคะคมรูม้สึกคือตนนนะะอนนี้นมีเวล า, า, า, าำำว่างาก็พยายามทาสมาธิทุกวันคือเพราว เปิดเทสฟังเสีจต่างๆแล้วก็การสมาธิอีกเรื่องหนึ่งคะเพรมันมีความคือรู้สึกว่าจิตใจมันมีมันไม่ค่อยสงบมันมีเรื่องที่เป็นอารมณ์ขึ้นที่ผุนะคะแล้วเรื่องนี้มันก็คล้ายๆทาให้ใจคอไม่สบายคะนะมันไม่สามารถที่จะทําให้ออกไปจับจิตใจได้นี่ตอนตอนเวลาแผ่นสมาธิรูสึกเรื่องแล้วมันทําให้ตามเทสมันก็ไม่ค่อย ดีใช่ไหมก็เลยหยุดฟังแลวลองเวลาทีเจรนาตามความรู้สึกของตั้งความคิดของตัวเองใช่ไแล้วก็เมื้าที่เจรนาถูกหรือเปล่ามนให้ทำาหอรณ์ที่ไม่ชอบอะไรเองก็คันๆที่น้นอย่างนี้ทำ่แต่างกันเลยใช่ไหมมันก็เลนบอกให้ถูวเ่อเจ้าว่าที่จะทำอย่างตัวเองได้ไม่ได้เลย อารมณ์อารมณ์ีจะแก้มันไไอะอารมณ์ารูเท่าทาจะแก่อารมณ์งนี้ไปนี้จากที่นี้ไปจะพาดูใจมันนีจากอารมณ์ที่นี้มันจะไปทนั่นรู้จากว่าอารมณ์ก็สักว่าอารมณ์นจะเปนตัวตนเราเารหอวอารมณ์รู้จากว่าอารมณ์นก็สักว่าอารมณ์นจะกดนตัวตนเราเารออารมณ์ อารมณ์นี้มันก็เป็นอารมณ์จิตนี้มันก็เป็นจิตถ้าจิตมันไม่แข็งไม่แข็มแงมันก็ไม่รู้เรื่องของอารมณ์อารมณ์มันก็นจิตตัวกันใบไม้ของเราจะ น, นิ่งแล้จะมองเห็นว่็ใบไม้จะดำต้นไม้มันจะนิ่งอยู่เมื่มันไม่มีโลมจิตของเราก็เป็นอย่างมันเป็นเด็ดีของมาอยู่ยง น, นถ้าถูกออกมาพัดมันตกวัดแหวกนั่นก็คืออารมณ์ ใบไม้นี่ยมันจะอยู่นี่ของมันไปไหนเพราะอารมณ์อารมณ์มันมากดแข็อารมณ์นี้ก่อนมันกันแทนนั้นมันเป็นสึ่งถุกขั้งมันเป็นสิ่งทุกเวลามันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นนอกจากเราจะมาเห็นว่าอเิจจตตาไอความเป็นของไม่เที่ยงของอารมณ์อันนี้มันเป็นอารมณ์อันนี้มันเป็นจิตอารมณ์ก็ให้มันเป็นอารมณ์จิตนั่นก่อนมันรู้จากอารมณ์ เหมือนกายทีใบไม้อที่มันกวดแหว่งเนี่ใบไม้ก็เป็นใบไม้ที่จะจริงให้มันกวาดแหว่งก็คือลมนี่พระพุทธองค์สั่งสอนว่าให้รู้จักอย่างนั้นว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่ามันมีลมอยู่เมื่อไรมันมีลมอยู่เมื่อไรมีใบไม้อยู่เมื่อไรมันก็กวดแหว่งมีจิตอยู่เมื่อไรมีอารมณ์อยู่เมื่อไรก็กวดแหว่ง จนกว่าที่เราจะได้เห็นว่าอารมณ์นี่อารมณ์นี่ก็สักวกว่าอารมณ์จิตนี่ก็สักกว่าจิตจนกว่าเที่ยวอจิตนี่มันก็สักกว่าจิตคือมันมีตัวจริงของมันเนี่ยอารมณ์นี้ก็สักกว่าอารมณ์นต่ละมันก็หมดไปมันก็หมดไปมันก็หมดไปหากว่าใบไม้มันมีอยู่อารมณ์มันมีอยู่ในการกระทบถูกต้องกันมันต้องมีตัวก่อแยงอยู่อย่างนี้น ถ้าหากว่าเราเห็นว่าอื้อใบไม้ที่มันมีอย่างนี้อารมก็ไม่มีมันหมดจิตนี้ก็สั่งว่าจิตเท่านั้นเนี่ยอารมณ์ก็สักงว่าแต่อารมณ์เท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสักแต่ว่าเท่านั้นแหะมันจมหมดทั้งจิตมันจะหมดทางอารมณ์อืมนี่จะให้ใจมันหมดไปโดยวิธีความรู้สึกอย่างนี้ตากพรเราว่ากันไอ้ใบไม้ที่มันปลดแปงเนี่ยใครว่ามันเป็นเพออะไรมันเป็นเพรอารมณ์โคนมันจะตอบกั่นี้ คนหนึ่งไม่ใช่เป็นพ่อใบไม้คนที่นั่ง ฟ, งง น, ฟงกนก็น่าฟันเหมืนกันนะมันก็เสียงกันอยู่นั่นไม่ใช่มันเป็นพ่อรม่มมันเป็นพ่อมีรม่มไม่ใช่มันเป็นเพราะมีใบไม้เราจะพอใจได้ใครมาถูมันติดเนี่ยยังงั้นแหละใบไม้มันก็มีร่มมันก็มีมันก็เป็นพะมันอยู่อย่างนั้น ถ้าหากเราเห็นว่าใบไม้นี่ก็เป็นสักว่าแตใบไม้ลมก็สักว่าแต่ลมไอตัวจริงจริงๆนั่นมันไม่มีหรอกใบไม้มันก็ไม่นี้ลมมันก็ไม่มีจิตนี้ก็สักว่าจิตอารมณ์นี่ก็เป็นแต่ของจักมาอารมณ์เท่านั้นแหละมันก็ไม่มีอารมณ์นี่มันก็ไม่มีจิตนั้นมันก็มีเป็นสักแต่ว่าเท่านั้นมันก็หมดลมมันก็ไม่มีใบไม้มันก็มี การกวดแกงนั่นก็ไม่มีหมดยังนั้นกอดเฉียงนันไปหยุดเหมือนกันน ะ, นะแต่เราไม่ทะลุตรงนี้เราก็ไม่สบายใจทอานั้นนะเออพราะว่ามันมีจิตอยู่มันมีอารมณ์อยู่เราพูดอาจารย์ตรง น, นี้ตอไหนมันเหนือสึ้นไปเหมือนกันเหนือสิ้นสลายเรานี้สึ้นไปให้มันเหนือใบไม้ให้มันเนนหนือลมว่าใบไม้ก็ไม่มีลมมันก็ไม่มีจิตนี้กว่าจักรกว่าจิต อารมณ์นี่ก็สักด์วาดแต่อารมณ์มันไม่ดีมันหมดที่สิ่งที่มันไม่มีดล้วมันจะหมดไปหมดทั้งใบไม้หมดทั้งลมจักแต่ว่าคันนั้นมันก็เห็นไปถึงนั้นมันจิจะไม่กดแรงเห็นไหมให้ทําังไงย่าเห็นลมกับใบไม้ก็เอากันอยู่นะแต่ทําไงมันติตสมโพสอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาเราฝึกใหม่ๆมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อาการทางหลายเหล่านี้แล้มันจะแสดงมันจะมีความรู้สึกนึกคิดตลอดเวลาอยู่อีกวันนึงแล้วก็ ละอามันเราเห็นแค่มันเป็นอย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาบางสิ่งที่เห็นแนี่มันวุ่นวายเกิดพิจารณาไปได้มันสงบสงบไปแล้วต้นเรื่องก่อนเอามันเสร็จแต่มันไม่เสร็จนะมันไม่เสร็จมันมีอยู่แค่นี้มีเมื่อไรก็พิจารณาไปเรื่อยไป่างนันไม่ใ็่ตัวปัญญารงตัดได้มยันเดมันดีอย่าง บางอย่างเนี่ยคิดว่ามันมันเกิดคืออารมณ์บอย่างนี่ถ้าเกิดมันจะแดงที่คือถ้าเกิดมีการกระทบนี่ใช่ไหะมันจะต้องมีอารมณ์เสมอมันเป็นส่วนเพราะว่าเรมีพลเงถที่ใช่ไหคะและอย่างคิดอารมณ์บางอย่างเนี่มันเกิดขึ้นมาแล้วบางทีก็ไม่ได้คือท่านที่ควรจะที่เจรนามันก็กลับปล่อยอมันเพราะว่าความรู้สึกว่ามันสบายใจยกับไอ้อารมณ์อันนั้นใช่ไหมะ อันนี้มันผิดใช่่ไม่มาอ์นงั้องรูองอันี้เนี่ยกสแสการกระทบเ่งกระทบนี่ยงกระทบใทันกระทบเสี่ยงว่ามันกระทบมันกระทบเยเฉยีอะไรยกาการกระทบเฉที่มีการกระทบปั้มเยไม่ อย่างงบมันร้องแต่มันตันมันร้องแค่เเสียนงบเท่านั้นเอไอตอนที่สองธาอุปชาธาวิตชามันพาณิชชาเป็นพื้นมันจะรู้กันหมเขียงงบนึกอยากจะหยับมันไปขายอย่างนี้นี่มันเกิดตอนเกิดมาตรงนั้นเน่ยมันไปแล้วไงอย่างเขาร้องเพลงอย่างนี้มันร้องครับแต่มาแต่เพกาะแค่เสีงไ้เนี่ยนี่เรียกว่าสาระกตถ้าเพื่นมันมีอวิชชาหลงอยู่เป็นต้นมันจะคิดเป็นลม คนนอกจรินจะมีเสียงกันไประดีรูปร่างมันจะสวยันก็ไปพราะมันดีจังนะนี่ตั้งสี่อนี่นี่มันเป็นมันต่อสายนิเว่าอ่ามีอวิชาเป็นฟืนมันมันเป็นฟืนลองอยกระทบในไม้นั่นเรื่องอะไรกระทบที่เสือเอไม่ดีเท่าไรต่อไปนิวบชาหาอริชามันมันตกหลุเนี่ยเสียงนอก เท่านั้นก็ไม่มีนึกอยากจะจับมันไปขายอยากจะกินเนื้ออะไรมันมันก็ไปไปสิ่งอย่างนี้นี่นี่เราการกระทบกเวพระทบนี่มันเปมันไปเป็นแถวเลมันไม่มีจุดใช่ยี่นทบปั๊บโป๊บมันยักจับปั๊บมันจะไปลายเียวไ้ไหมอันนั้นมันือเกียวของมั้แต่ว่าคือเราไม่มีคัตเอา แต่ว่ามันนีมันมันขาดอยู่นะแต่เราออกมันไม่ขาดอยู่มันขาดอยูมันขาดอยู่แต่ว่าเราออกไป่ทันคือมันเร่งแรงโดินไปแต่มันตัวเลยเนียะได้ยักขาดมันมีอยู่แต่ว่าเราตามมันไม่ทันทำไมถึงจะตามก็จะทำให้จิตให่มันรบมากขึ้นจิตใจมันรบมากขึ้นไอคอนเองมากขึ้นตัวกับความความเบื่อความลำคาน นี่มันเป็นเป็นอารมณ์ด้วยเป็นเหตุี่มันเป็นอะไร<ม>อือคอมคือคืนนี้นยป็อย่างเช้าเนี่ยผมเิดขึ้มื่อปชอามันนั่งเฉยๆใต้ต้นไผแล้วอ ก, อ ก, ก<ม>็อยู่ไ เ, เกินแก้เลยเวลเพือนพอเรียกโทรศัพท์มาเด็กนิ่งมาบอกทรศัพท์ มันอาจจะโทรศัพท์ทันากไดนะไอ้ยิ่เป็นอะไรเป็นอารมณ์หรือว่าเป็นิเลหรือเป็มันมันเปลค่องกลีดอเปลอยไหนบางคนจะเป็นตัคนด้วที้ยมันอะไรกันแม่มันเป็นมันเป็น อารมณ์นั่นเนี่ยมันเปลือให้เป็นเจดีย์ขึ้นมาอารมณ์มันกระทกให้มันเปลือเจดีย์ขึ้นมาคือก็อเรียกว่ามันกําลังย่อมอยู่ในสิ่งที่เราต้องการนะอันนี้มันปราศมันในการที่มันชอบนั่นแหละไอ้ที่มันเป็นความไม่ชอบอันนั้นมันก็เป็นเจดีย์นป็นเจดีย์เป็นเจดีย์ เราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นกำลังเราเฟินออยู่ในะมันตัดออกไปแก้งี่ใจเราก็ไม่สบายเพราะอารมณ์นั้นแก้แก้ว่าถ้าหายใจไม่สบายมันเกิดประโยชน์อะไรไหมตาขึ้นไปเลยาว่าจิตไม่สบายเพราะอารมณ์นี่นะถ้าเป็นเช่นนั้นอยู่ทุกครั้งมันเกิดประโยชน์ไหมทุกอารมณ์ทุกทีเกิดทุกทุกทีที่อารมณ์ทุกทีเกทุกทุกทีมันสบาย สามตรวมันเจ็จอดตอบวนถ้ามันเข้าใจว่ามันสบายตันคงจะไม่นีถ้ามันไม่พอใจไม่สบายไม่ไม่สบายอ่ะตรงที่ไม่สบายมันเป็นทุกข์เราไม่ชอบมันเราทำมาเจะให้ทุกข์นมันไปเอ้มันเกินมีตัวของมัน้เป็นเป็นเป็นทุกข์คนนิน แต่ว่าเมื่อเวลาเราออยู่คนเดินเวลาเรามีอารมณ์ทุกข์อยู่น่ะมีอารมณ์ที่มันจะวานใจมาผ่านมีความีใจกัน็ดีแล้วนะทำไมมันมีใจเพราะมันมันชอบอารมณ์ที่มันพอใจมาแต่เพราะมันก็ได้ดีใจมันรวมเงินกันอันเดียวกันอันเดียวกันแต่มันเปลี่ยนนะการมันเปลี่ยนหน้ากันนะ ไอ้ความดีใจได้ความเสียใจเนี่ยทำมาวัดตามส่วนตองธรรมะแผ่นแท้มันเหมือนเลยเหือนเหือนมันเ ห, อนเหือนกันยังนั้นมันเป็นเรื่องพูดง่ายๆเด้อมันเป็นเรื่องที่ใม่จบมันเป็นเรื่องที่ใม่จบที่ที่ทา่านสอนมาให้เราจบนั่นนะก็คือให้รู้เรื่องสิ่งทั้งหลายแล้วนี่ไหวที่สร้างตามมันมีอยู่หรือสร้างความรู้สึกอันหนึ่งอย่างเงี้ยเมือสิ่งทั้งหลายนี้ซึ่งว่า ท่านจัดในที่นั่นว่ามันเป็นโลภุตาละมันพ้นจากอารมณ์ทั้งหลายแับนี้ให้มันเหนือสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะเกิดอิจาหมดไม่หมดไม่หมดสิ่งที่เราไม่หมดก็จะเกิดอยู่นั่นแหละนั่นไงเด็กมันจะมาเราเคยสอนว่ามันเจิดใจเนี่ทําไมเราไม่เสียใจไม่ดีใจมันมันเสียใจมันดีใจอย่างนี้เพราะเรายัอม่างเด็ก ถ้าเราสั้มเดชแต่เมื่อันมเป็นเนี่ยพอเรายังไห็นสำเมันเป็นอย่างนี้มันต้องสำเดชก่อนอ่เมื่อตั้มสาเ็จมันจะรู้เรื่องแบบที่สามความเช้นี่มันจะมีความดีใจมีความเสียใจแต่ก็ยังมีมีมีมีกลังอย่างนึ่เอนกันนะเรารู้จักวายดีใจเกินไปนี่มันก็มาสียทางแล้ียใจเกินไปนี่มันต้อมาใชทางแล้วมันมีมีมีอร่ีมันจะลัตัวไปอย่างนั้น มีแต่การตัดสั่งไว้การนี่ก็คือจะคอยดูดูใช้วิธีคอยดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาขึ้นมาเพราะว่าเอาสติให้เราอยู่กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างน้ได้คือการเป็ความรู้สึกวายมากใช่ไหมเดี๋ยววิธีไหนที่ใจรับอารมณ์ได้ง่ายใช่ไแล้วถ้าจะใช้วิธีฝึกสติในการดูว่าตัวนี้ตัวเองกำลังมีอารมณ์ยังไง ได้ให้ความรู้สึกนึกคิดของเราเก็มันมีอยู่การยืนก า, ารเดินก า, ารนั่งการนอนพยายามมันมีสติรู้สึกนึกคิ ด, คดอยู่เสมอนั้นมันจะรู้จักอารมณ์ที่มันเกิดจะมาเช่นว่าในร้านในบ้านแล้วเรากวัดเสมอเรากวัดไว้มันสะอาดอย่างนี้แล้วก็นั่งไวใบไม้จะเย็ไไนฝนตกลงมาแล้วรู้จักอะไรที่มันดูดลงมาแล้ก็รู้จั ก, กว่าที่มันสะอาด ถ้าเราปล่อยไปเฉยเฉยไม่มีสตสิสัมปชัญญะนล้านวาด น, นันเป็นในความทีเลยใบเก่ามันโรยมันไปทำไมรู้เรื่องว้ใหม่ทับมันเลยมันเป็นป่าเลยนนะมันให้เปนความรู้สึ ก, ก น, นะถ้าเราวดตรงนี้เตียนว่าอย่าเราสมองตรงนี้อะไรจบตรงนี้เลยเรารู้สึกมโนอะไรอะไรมันจบว่าตรงนี้นนนนรรนนมโนนี่ก็ได้ว่าสติเรารู้จับต้อาเลยให้นีทุกขะนกะันนี อก็ใช่หนิหน้าเบื่อบางอย่างที่มันทําให้ใจไม่สบายคือว่าทส่เขาไม่พมีคนที่รู้จักดีๆให้เจ้าทแล้ววันหนึงเขาก็เกิดจะต้องตายขึ้นมาเป็นโรควันใดๆอย่านี้ยะคมันก็บอกไม่ถูกมันรู้สึกโลมีนายไม่ทราบแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าตัวเองมันไม่มีคือมันเมื่อวันหนึ่งมันก็ต้องตายหมือกันอย่างนี้ใช่ไม่ันเป็นความรู้สึกตรงๆเบื่อๆอย่างไก็ไม่ท้าแล้วมัน มันก็ม่เป็นยาเนี้มันก็รู้สึกว่ามันทาให้เกิดการจัดพาในการปฏิบัติมากคือแต่ยานี้มันก็ทาให้ใจเนี่ยมันร้ายมันไม่มันไม่สดชื่นมันเป็นไงคืมันเบาไม่ฉุนอันนี้มันจะทำเวลาที่มันเกื่อเวลาเวลาที่ได้รับอะไรที้มเบื่อแก่เบื่อชอบไม่ชอบมันจะเปลี่ยน ที่นี่เบื่ออนเราชอบมันแม่มันจะเก็บเ่นมันมีเสาเื่อซึมกันในอย่างนี้มันเป็นมันไม่ชอบมันก็เบือแม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้มีแต่ในวันเบื่อเบื่อของคนแล้วก็เบือของวิญญาเป็นเหตุการณ์เื่อเบื่อของคนบางทีก็หมอยากเป็นหน้าก็มัอนอยากพดสมมันยากอะไรก็เหมือนเ่เบือเพราะมันเสียดหลายเบื่อของศาสนาเนี่ยมันเบือละอา อะไรก็เท่านั้นเนี่ยอะไรก็ท่านั้นและเราเียววังไวาเบือตองสงบมันก็เป็นอา่เื่อเวาใจมันาขึ้นก็เป็นไรความเความเบื่อนาย เบือนายคลายความกำหนัดเบือนายคลายความกำหนัดมันมีมาอย่างนี้นิพพิทาท่านดึงมแต่ น, นิพพิทาควาเบือนายมเบือนไม่อยากจะไปแตะมันไม่อยากจะไปต้องมันลไม่อยากจะรักมันยไม่อยากจะไปเบียดมันเงี้ย เนี่ยนิพพิทาความเบื่อเบือนนี่ยอยากแล้มันไปขึ้นแค่ไม่อยากอะไมันมีอะไรมืดไหวมันประกอบด้วยราคะโทสะเบื่อที่ได้หวัดใครเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเบื่อนน่ายไหวตรงนั้นมันเป็นภัยที่สุดไม่ควรจะไปแต่ต้องอะไรมาเห็นไหมความเบื่อหน่ายมันคลายลาค่ะเวลาค่ะ วิลาัะตายนี่พิธายตายมาจากคนจะชื่อความหมายอย่างเดียวเท่านี้เท่านี้กันดีลากะคลายคลายคลายคลายมันนอกคลายออกพิธายเอกหรเอพิธายลอกหรือัิธายมันแท้จริง เมือนอะไรหลายอย่างเหมือนกันมีอะไรบ้างล่ะใจใจมันจะไมได้ถ้าบางทีมันก็คล้ายๆกับว่าจะจะดีคือมันก็เบื่ออะไรคล้ายๆกันการว่าแต่บางทีมันก็กลับยึดแล้วก็กลับอยากได้อยาก อยากเป็นที่ไหนอย่างมากมายเดียวดีเดียวได้เดี๋เข้าออกรู้เขาหม่นทุกคนเอเอเป็นสิ่มม่ทนึงท่านเป็นมันเป็นอย่างนั้นแหะท่านเป็จริงเหตุการณาน่มันอันนี้มันท่านจริงจังแต่อันนี้มันไม่แน่นอนเรื่องมันดีเรื่อมันด้เรื่องมันดีเรียอมันด้มันโกหกเยอะไปเราจะเป็นตาอะไรมันมากมายเพราะเป็นอย่างแกนั้นก็ลง ก็ค่อยแตะปล่อยเยาวานไปพราะมันม่ปรุงมันแต่งในบางทีที่มันที่มันไม่คยดีมันแปรุงให้มันดีขึ้นมาใจริงที่มันไดีมันก็ปรุงให้นดีขึ้นมาแต่เมื่อปรุงแต่งเนี่ยเรื่องที่มันปรุงแต่งจิตใจผู้ตชนล้วก็ต้องจบเหมอนถ้าไม่มีอย่างนั้นตรงนี้มีข้อปฏิบัติอะไรนี่เมื่อตรนี้อย่างนี้มันเป็น เป็นแบบอุบายทีท่นีไม่ต้องฝึกสมาธิให้ได้ดีพูดเปล่ายันไรก็ให้เป็นอปปนาให้ได้อย่างไรก็ให้เป็นใช่แต่ไปเป็นอปปนาจะัดท่นยุติสองท่งานเลยันจะถึงหลายวันหลังมันข้าไปไม่ได้อะมันก็ไปดีที่มันเ อ, อาอะไรไปป้ายอยู่ตปงนั้นเนี่ยมันจะหานหนึ่งแคุ่ดของความวา <Okay. S 1> สงบ ชูเขาป้อุนใฌานนี่ที่หมอยถาม้งอัปปนาในขึ้นในอะไรก็ในฌานอะไรหรอัปปนาในหลอัปปนาอัปาธรรมะท่แต่ว่าอัปปนาไม่ให้กำหนดเอนนั้ไม่กำหนดมันในฌานนั่นในฌานนี้มันจะเปนทางอัฌานเลยมันว่า เห็นความโปกมันพอสมควรแล้วอะไรไปช่างมันเถอะไอ้ที่เรียกไอ้ตัวจริงๆของมันทำไมมีใครรู้จักมันมันดูจักแต่ว่าจิตใจของเจ้าของมันเขาเป็นเจตนานั่นเนี่ยมันรู้ว่าตัวเองมันเป็นอย่างนั้นให้จิตใจมันเบาลงไปมันถึงที่สุดของมันมันในรืมนะถ้ามันเจตนานะมันในลืมกับอย่างที่เราเดินไปไปถึงไปเห็นอะไรที่มันสวยที่สุดในชีวิตของเราต่นนั้นแบบนี้แต่ท่านไ้่เคยล อันนั้นมันตอที่มันไม่รู้มันเป็นนิดใจแต่ก็มันเป็นตัดใจเพื่อจะดึงดูดจะไปสร้างบารมีต่อไปอีกตรงนั้นแต่ใจมันก็ตื่นขึ้นนะเขแปลว่าได้ปัญญาใน้รว่าจิตต้อยู่ในสมาธิถ้าหลอดไปไม่มีไม่มีถอยออกถอยออกมาแล้วพอเัตุการชุ่มของจิตมันมีอยู่เช่นว่าฝนตกไปดูนี่หน่ะเดือนห้ามันแล้งทั้งเดือนเจอนะที่อีกว่าหนึ่งฝนมันตกมาคักใหญ่เละ มันจะชุ่มกิ่นชาติทางดายเร็นเขียวให้พวกนกทางดายมันจะันแต่าเริงบันเทิงมันชุ่มอย่างนี้แ้่จะไปที่ไหนมันเปนเครื่องผูกมัดิดของเราอยู่เสออันนี้ไม่ค่อยสร้างอะไรมีแต่ค่อยๆเพียนะทีจะมีตัวยาเป็นตัวนันค่อยๆ่าแต่ว่าให้มันถึงใหม่นถึงความสงบเห็นความสงบก็ยังดื้อไม่ได้ใช่ไหมมันิตมันต่ออยมันดื้อไม่มันจะยากนะ มันพยายามจะทำสัจชาของเราไปส่วนหนึกล้าเป็นไปด้วยความหมาตามที่ครูมาอาจารย์แด่สอนมาถ้าชาขวาไปถึงกรรับปัญญาสมาธิแล้วใอ้ผู้คนที่ไป น, นั่งเฉียดพันิชานแล้วใกล้พนิชานในี่กล้ลพระพุทธเจ้าเป็นีแล้วอย่างนี้ไม่เช่นใอ้ผ้าที่วัดไอ เรานักภาวนามานะจิตใจมันตกขนาดไหมขนาดนี้แล้วมันจะเกตุความจริงอะไรเกิดจะมาอย่างนี้แต่ว่าอันนั้นมันดือไปไหนแต่พาพูดเนี่ยก็ดื้อฟังไม่ได้เหมือนกันมันเป็นแบบนั้นอยู่อย่างนั้นมันไม่ื้อมันไม่คลายมันเป็นอย่างนี้มันไปเจริญรุ่งเรืองตัวมันอยู่เรืยไปอันนั้นมันเป็นจิตใจมันเป็นปัจจัยที่เสริมสร้างต่อไปนะในความสงบถึงความสงบ ต, ตอนนั้นยังไม่เกิดปัญญาเนยยังไม่เกิดยังไม่ลุกถึนปัญญาที่จะยังคนเริ่มปัญญาจะเกิดขึ้นต่อไปอปลูกปัญญาแล้วตอนนั้นขอให้มันจะปลูกปัญญาต่อ น, นัคิดวา่าเราเดินเข้าไปในป่าอยากจะ็นในต้นไม้ต้นหนึ่งมาสร้างว่านทีนี้เรากระปองเห็นในต้นมันโผเป็นสูงแล้วก็มองเดินไปดูเห็นถต้นตวดายกันดีแล้วเห็นแน่ต้นไม้ต้นนี้ส่วนต้นยาวใหญ่โตโหล่ฐานมันต้านแล้ว เรจะไปเอาจปทำยังไงไม่ต้องมาทำทางกันแล้วรถนั้นจะทำเป็นสัดส่วนน้อยส่วนนัดเป็นดีๆอย่างนี้เพราะเราเรนชัดแน่ว่าไอ้ส่วนนัดมันในตัดส่วนอะไรมันมีประโยชนแน่ๆอย่างนี้อนี้เรื่องพยายามฏิาัติให้เขาดี นึกการที่จะปฏิบัติให้ได้ให้ได้ถี่ถมเป็นนานีต้องสม่เสมอเลยใจังพยายามให้สม่ำเสมอหล่ะนอเรียกว่ามันวันนี้มันเปี่ ย, กยนกวัวทำปราหยัดตัวทำเปี่ยนกัวทำปรหยัดตัวทแต่คนมันอยากจะทาแต่วันนี้ระยัดเปลี่ยไปอยากจะทานี่ก็คือทาตามใจของเราไม่ทําตามตามมาทาตามตามทำเปลีย่ยนปยัดตัวท รไปไม่ได้ทำต้องฝืนกำฝืนท ำ, นทำไม่ฝืนก็ไม่ได้ทำแล้ ว, ลวยังสถานที่คือมาาวายยาดด่าอย่างติตใจก็อยู่้นสภาพยันร้อที่ยังมีอะไรอยู่นี่ก็โอกาสที่จะทำเป็นอย่างนันเลยาสถานที่มันเป็นยา่าจเป็นต้องมีสัยยมภาระเสมอเลยเน่ยแต มันคล่องตัวแลก็มันกังจิบอะไรข้าคนาในรถเยอได้น่าสนใเวลามันคล่องตัวคือมันฉลาดเลยจะทำที่ไหนกันแต่อย่างเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอย่างหรือไม่เกี่ยวกับจิตของเราอะไรรถหนังเรือที่ไหนก็ไปมันกํานานมันรู้จักฉลาดมันมันมันจะเขียนหนังสือ ถ้าเป็นเด็กอะไรทั้ว่าไอ้คำตัวบัรจงเยมันดีต้องพยายามเนี่ยถ้าหากว่าเราทํำได้ดีแล้วตอไปราเป็นเด็กเก่บงบไปไหนที่มันเข้าใจในเรื่องนี้นอย่างนี้ีดีในความชำนาเมื่อความชำนา น, นี้ไอ้ความสงบมันจะมีอยู่ทั่วทุกที่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันจะมีความสงบเข้ามาเนี่ยมันรู้จักความผิดถูกอยู่เสมอเลยมันจะเป็นอย่างนั้ คนทีได้การสงบท่านอาจจะได้คนที่เขาบอกคอตัวรู้เอนะคุณผ่การสงบคนนั้ก็จะออกเนดีมันเปีเป็นวกลา้ัจเอฟบอกไม่ได้จริมันเป็นดีมเป็นาสนแต่ว่าเื่อมเหมือนกันนะของเสื่อมแนเสื่อมไอพ่อชาญเสื่อมตรงนั้นแหละ ที่ใจมันไม่เสื่อมก็คือตัวปัญญาเห็นชัด อ, อันนี้เสื่อมในไหนลิตารเร า, เ ป, เ, า, า, ารเป็นเน้อหนุ่ยอย่างนี้ักตาเราเป็นเนื้ออยู่นี้เขารู้จักนีวิาจาอตู้ได้ตลอดตัววิปัสสนามันในเรื่อง่างความจิของมันเอมีกำลังมากอันนี้เป็ น, นเคือจัดการรู้ขององค์สมเด็จพระธรรมจารย์ต่างๆแกครั้แรกเราจะพยายามหากระแสที่ดีมัน ปวดหายรวอยากไดสมดุกันไปตลอดวัดเราก็เป็นวัดป่าดดีมีแ่คนอยู่ในใจดังจะหาวิเดีดีจะพายหวาดออกจากป่าจะหาวิเดีดีอย่างนี้มันยังไม่เห็นอีกยังไม่เห็นถ้าเคยได้ใช้กาสมาี่มันไม่ได้เป็นเหตุถือค่องท้ายนะแต่ว่าถ้าจะช่วยใช้จบบที่จะมาอะไรนี้ช่วยช่วยได้ได้ แล้วเรจะเอาเรื่องอรย่องร่างกายของเราหนีขึ้นไม่ต้องเราอื่นมากที่จะนาศีษะมาหาฝ่ายข้าวแต่ฝายข้าพามาที่ษะมันมีส่วนในส่วนอะไรนี้ไม่ไดหาอย่างอื่นหาเพราะว่าไอ้ของ่างหลายที่มันให้สงบจิตใจก็บถ้ามันมันลุกายก่อนนี้ลจิตอันเนี้ยแค่นี้อดีนะเกิดกับเกษารือผมเน่ย แตปคนฟังทำไมผมเรเคยเห็นนะเนี่ยกิจราชาที่คนจริงไม่เคยเป็นผมจะอดนบุเคยเห็นนะว่าักษนะมันเป็นยังไงเห็นจริงจริงนั่นไม่เห็นเนี่ยผมคนเด็กฟังหนังอะไรเห็นจริงจริงมันไม่เห็นนะอยู่ไปเห็นนะเห็นเห็นตรงน้มันไมเห็นเห็นแต่มันไม่เกี่ยิจรามันไม่ได้เห็นเห็นให้มรู้ชัดเลยาะแต่มันก็เคยแย่งเาไปแก้ มาดูจะคบเนี่ยมาดูจะผลมีลมมีอยู่ล้ไอ้ความจริพิจารณาแหละเห็นชัดๆเลยไม่เไม่เคยเห็นฝนจะพองไม่เคยเห็นฟันจะกองไม่เคยเห็นตั้งใจเขาจะพองใหญ่ตากองเต็มๆยังไงที่จะได้ไปเห็นนะเห็นเนี่ยเห็นชัดต่อไปแล้วนะมันจะมีอุปสรรคมั่เมื่อไมหยึดมันั่นเห็นจอดต่อนมันใจ เห็นเห็นจริงเยเห็นเป็นขอเเป็นของโสมวันนันพระใชเห็นเป็นของโซมว่จะไปรังเบียดก็ไม่ได้ดีนะเห็นเป็นของโซมจะไปรังเียดมันเปิไม่ได้ดนะจะไปรงเียดยงนะมันเป็นมันเป็นว่าพระจะหยิบหนึ่งเป็นมาย่ไม oh ่ได้เห็นเป็นธรรมดาเห็นเป็นธรรมดาเห็นธรรมดาเือนายตายตาว่าบอกอ่นี้ ยังนั่งก็เห็นคนสวยก็รักเห็นคนไม่สวยก็ยกกรักเกียดตนะันกัเเป็นธรม <re expand> ธรมดาใช่เ็นธรรมดาเป็นกลางเป็นอย่างนี้ยนธรรมดาก็อย่างนี้อันอนี้เรือดักายของเราั้งแรกวามเบื่อนายอย่างี้แต่เห็นว่ามันจะมีอะไรมากมาย เ็จมาเปการเสร็จมาแล้วเคยบอกให้เยายามทีาจะละนานิสัยนี่รู้สึกมันไม่ค่อยจะลงใจมันก็ยิ่งชออยากดุอยากยาวย่งวเมอนกันมันดูไม่ค่อยได้ผลเลยทาอย่างวายแล้วก็เลยน่าจะบอกถึงแม่จะไม่จำฝืนก็ให้เป็นยามอย่างนั้นคนเราแต่ที่ว่าเอ็นจีพาร์ตสุกหรือการเกี่ยวข้องกัน ถ้าว่ามีโศกอะไขาไม่รูว่าไม่ได้ที่จะนำละครจริงไปเทน่าละครจริงมันดิ้นรดที่คือ